ปกันก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเตื่นเจ้ากันมาทำวัต ด, ดมนยังมีลมหายใจเข้าออกยังมีเวลาที่ได้มีโอกาสใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจ ทำหน้าที่บริหารขันบริหารเวลาบริหารชีวิตของเราให้มันดำเนินอีกต่อไปเราก็ ส, สร้างความดีความงามเห็นความจริง คือการละชจ้ธรรมดีชำระจิตเป็นนโยบายหรือว่าหลักการขององมสมเด็จสมมาสมัมพุทธเจ้าหรือว่าหลักการชาวพุทธมีควมดมการมีความอดทนมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เป็นคุณธรรมเป็นส่วนประกอบทำให้เราทำหน้าที่ได้อีกยิ่งขึ้นไปมันไม่ใช่แค่นี้มันมีอีกมากมายการเราจะไปกว้าเอากระแสรอบตัว จะทำให้ได้ทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้จะเรียนรู้วิชาทั้งหมดทั้งโลกในขณะเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้จใจมีสุขสมอยากตามที่โลกก็ได้สมมติมัญยัดกันหาเป็นของตนมาครอบครองครองโลกก็เป็นไปไม่ได้ เราก็จึงนีงแ่แหละใช้ชีวิตผ่านความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะของการเคลื่อนไหวของเวลาของวัตถุของอาการกริยาต่างๆแต่ละขณะเกิดดับเกิดดับอันไหนไม่ได้ใช้แล้วก็รู้ล้วก็ผ่าน อันไหนเราใช้ล้วก็เยอะมาใช้เช้นขนาดนี้เราก็ใช้เวลากาลเทศะเราก็ใช้ฐานะฐานะอาฐานะใช้ฐานะฐานไม่ว่าจะเป็นคุอาวุธววยวุธคุอาวุธวัยวุธนะ จะเป็นรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติต่างๆใช้ให้เหมาะกะผ่านความรู้สึกตัวอีงความรู้สึกตัวพาธรรมจะมดำเนินไปได้เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมีการดำเนินด้วยตัวของเขาเอง การเกิดดับต่างๆพลังต่างๆลมก็ทาหน้าที่ของลมอากาศธาตุดินก็ทาหน้าที่ของดินปฐวีธาตุน้ำก็ทาหน้าที่ของน้ำไฟก็ทำหน้าที่ไฟเป็นส่วนประกอบแต่พอดีไม่มากไปน้อยไป เหมือนแต่ละวันทุกวันนี้อุณหภูมิมีความแตกต่างกันเชา้าอาจจะหนาวนิดหนึ่ง 18-19 องศานี่คือธรรมชาติตอนเย็นๆบายๆร้อนหน่อยอ้าว 3-4 องศาผลต่าง10าองศา ก็ป่วยได้ภายนอกกระทบตัวเราบางทีก็ปรับได้แทนที่จะป่วยมันก็ปรับได้ร้อนเป็นความพอดีเย็นเป็นความพอดีเย็นล้าก็หาผ้ามาหม่มร้อนเราก็อาบน้ำ อ, อาบ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัว ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งจิตใจซึ่งไม่มีตัวตนมันก็เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลมีปัญญามีสมาธิมีสติรู้เท่ารู้ทัน เป็นการทาหน้าที่เป็นการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตก็เกี่ยวข้องถูกต้องไปเรื่อยๆทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมความรู้สึกตัวเป็นแบบฝึกหัดการเคลื่อนการไหวเป็นแบบฝึกหัดมันก็จะมีโจทย์มาให้ตอบให้เฉลยมากมาย ไม่อยากรู้มันก็แสดงออกมาการใช้ชีวิตกันได้ยินได้ฟังไม่อยากเจอก็ได้เจอไม่อยากพัดปากก็พัดปาปรารถนาสิ่งใดมันก็ไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการครับแกนใจสิ่งที่อยากมีประมีแล้วก็ทุกข์ มากมายแล้วกันมีแล้วเราก็งงสับสนก็อยากจะปล่อยอยากจะตัดขาดคยได้ยินคนบางคนมีลูกว่าอยากตัดหางปล่อยวัด ท, ท, ทั้งๆที่รักสุดๆองนี้แต่ก็ไม่ไหวบางทีก็ซื้อคอนโดให้อยู่เลย ตงแต่ย่นน้อยให้ใช้ชีวิตเอาเอ ง, เ, องเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันมากในหมู่เศรษฐีเมืองไทยอยู่ใกล้มันอยู่ไกลพออยู่ไกลก็ห่วงใยโหยหาคิดถึงมันจึงเป็นการใช้ชีวิตที่จะต้อง มีศิละปะมันกันบวชก็เหมือนกันบางทีเราก็วางบ้านวางงานคนลักคนช่างบุคคล1 2 3่งสองสามาโอนหนึ่งสถือสินห้าสินแปดสินสิบสิน2องใจเราก็อดไหลย้อนกลับถอยหลังลงต่ำคิดถึง วงหาอะไรอาวอนตัวนี้เราต้องฝึกต้องหัดให้เขารับรู้เรียนรู้ปัจจุบันกันหนะอะไรที่จะเป็นหลักผูกการชำระจิตให้ถึงพร้อมรูปแบบวิธีการอยู่ตรงไหนละชั่วเราก็คือออกห่างสิ่งนั้น ไม่ทำสิงนั้นอะไรที่เป็นชั่ววูบเราให้มันดีวูบขึ้นมาทำดีถึงพ้อมเคยโมโหโต้โตก็เปลี่ยนเป็นเมตตาเรียกว่าละชั่วทำดีเคยโกรธเปลี่ยนเป็นเมตตาเคยนินทาเปลี่ยนเป็นสันเสริญเคยเอาเปลี่ยนเป็นให้ยืนมา จะทำดีแต่ที่มันมีชำระจิตจะทำยังไงเพราะไม่ดีก็ทำให้ทุกข์ทำดีมากๆของทีมก็ทำให้ทุกข์เพราะว่าอารมณ์ของการทำดีเป็นอารมณ์บุญเต <c oughs> ็มกันการชำระจิตก็คือไม่เกี่ยวกรขาวก็ทดำบุญกระบาป มันเกี่ยวกับการที่เราปล่อยวางสิ่งนั้นรู้จักหยิบมาใช้ได้ถูกต้องตามการรัตสะไม่ยองผ่านประสบการณ์การฝึกหัดตรงๆการชาระจิตของตอนในขาวร่อเป็นชำระยังไงเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปมันมีความรู้สึกตัวมันจะเป็นคําตอบสำหรับผู้ที่ปฏิบัติ สำรับผู้ที่ฝึกหัดการเรียนรู้ทำให้ได้คำตอบมีการเฉลยโจทย์การแก่การเจ็บการตายมันจะเฉลยแก่ก็มีไขรแก่ร่างกายก็เป็นไปอย่างที่มันเป็นเกิดดับเซลล์ทุกเซลล์อายุ7ปีตามหลักวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์เสื่อมเจ็ดปีเจ็ดปีทุกเซลตายหมดตอนนี้เราบอกว่าเราจิงก็ไม่ใช่มันก็เป็นด้วยนะเป็นข้าวเป็นผักหมูเห็ดเป็ดไก่เติมธาตุดินลงไปทุกวันลมเราเข้ามา คารบนไดออกไซด์้วปล่อยออกไปออกซิเจนเราเข้ามามันก็เป็นลมใหม่ตลอดเวลาน้ำเหมือนกันเติมไปถไายออกเป็นน้ำมูลน้ำเมือกเป็นเหงือกอะไรเป็นปัสสาวะเขาเข้ า, ขาออกออกมันก็เป็นของใหม่ตลอด เราก็ได้เรียนรู้เห็นแก่เป็นไม่แก่ก็มีเจ็บเป็นไม่เจ็บก็มีป่วยกายเป็นเรื่องธรรมชาติก็แล้เราเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแตงเวลาตายเหมือนกันเราเชื่อว่ากรรมฐานจะช่วยเราแน่นอนมันไม่มีใครตายแน่นอนเพราะมัจจุมานมันเป็นด่านของนักปฏิบัติที่จะต้องผ่านกลัวตาย บางทีปฏิบัติมันกลัวอยามาอยู่สุกโตใหม่ๆนี่โอ้กลัวกลัวอะไรไม่เท่ากับกลัวงูทีเนี้ยขรั่มเลินว่าที่นี่มีงูใหญ่เยอะแต่เป็นงูที่มีศีลมีธรรมมาปฏิบัติใหม่ๆเขาเห็นว่าเออไม่ชอบคุกคีที่ไม่ชอบเพราะจะฝึกตัวเอง เราอยากคุกคีเราก็นอนไปเขตอโครจรมากมายแล้วกินงานวัดตลาดสดหรือว่าห้างสรรพสินค้าเขตอโครจรแปลว่าไม่โครจรก็ไปะล้วอยู่ในสภานาซาลูกเราก็ไม่ทำอย่างนั้นอะไรหลายอย่างเราก็ไม่ทําก็ชอบอยู่แต่ว่าไม่ทําแต่เราเก็บตัวอยู่กู๑๓ สมัยก่อนมีป่าเยอะไปหมดมองไปทางไหนก็มีต้นไม้เงยหน้ามองยอดไม้ก็มีนกฮูกมองอยู่น่ากลัวตาโตมันไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้อยู่คนเดียวไฟฟ้าก็ไม่มีเทียนก็หายากเดี๋ยวนี้อุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ เดินยงคมเนี่ยถือไม้กระบองด้วยนะแต่ว่าใครมาแกล้งก็โดนตีแหละตอนบว่ใหม่ๆมันรักษาตัวเองระวังตัวเองขี้ขาดนะเพ่นไงขี้ขาดแล้วมันก็ทำอย่างที่มันเคยทำมีอาวุธ <c oughs> เดินยงคมไปก็คนลุกสู้แค่มันแวบคิดแวบคิดว่าจะมีคนมาแกล้ง จะมีงูโผล่มามันนึกถึงว่าเวลางูมันเลื้อยมาแล้วมันลัดดูหนังมาเยอะบางทีมันก็มีจริงๆที่สวนยางพาลาภาคใต้กงคืนเนี่ยก็ไปตัดยางงูเหลือมใหญ่ก็มาลัดแล้วกินแล้วก็ไปไหนไม่รอดงูกินคนคนก็มาเจอก็กเลย ฆ่าตายแล้วก็ผ่าท้องดูให้คนที่หายไปก็อยู่ในท้องงูเราได้ยินเรื่องราวมาแล้วก็กลัวจดจำเอาไว้ปรุงปุงแต่งๆบ่งทีก็มีสีอุเคยได้ยินได้ฟังเรื่องสีอุกินเด็กกินคนมันฆ่ามกินเฉพาะตับกินเฉพาะหัวใจฟังแล้วคนหัวลุก หนังผีแต่ละเรืเ่องแต่ละเรื่องหนังเดือนนี้น่ากลัวเราก็สร้างแล้วก็เหมือนจริงที่สุดในโลกเลยมันก็ปรงแต่งเวลาปฏิบัติธรรมสารพัดสารพันกลัวยิงอดข้าวอดน้ำบางทีก็ท้องเสียมาอยู่สุขโตไม่เคยท้องเสียหลายวันติดติดกันอาหารก็มีแต่เชื้อโลกไม่สะอาดเหมือนทุกวันนี้ ฉันก็ไปก็มีตะท้องเสียตะรวันตะรวันน้ำหนักจากแปดสิบเจ็ดสิบห้าลงมาเรื่อยๆจนเหลือห้าสิบหกกิโลพอมตัวโตดำปีมันก็วันวเหมันกันกลัวแต่ก็ไม่ท้อถอยนะไม่ทิ้งความเพียร พยายามดูมันคืออะไรมันเกิดอาการอย่างนั้นได้ยังไงโดยเหมือนคนไม่ปกติเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นแต่ว่าลงบ้างเคียนลงพ่อเตียนนะชี้ชัดว่าอารมณ์มันเกิดจากการคิดทาไมหลงก็เป็นในความคิดปรุงแต่งมันก็ไม่มีความกลัว หลวงพ่อเขียนท่านผู้สะดุดมาคำหนึ่งนในคําเทศของท่านในเช้าวันหนึ่งที่เรามาทําวัดสวดมนต์แล้วก็ฟังก่อนโกรธมันมีก่อนกลัวมันมีสติก่อนโกรธมีสติก่อนกลักกวมีมันมีสติก่อนรู้ก่อนก็คือเดิมทีมันไม่มีความโกรธไม่ ม, มีมีความกลัวปกติอยู่แต่เราหลงเพลอเข้าไปในความคิดปรุงแต่ง มันไม่ใช่โกรธแล้วตามรู้นะไม่ใช่กลัวแล้วตามรูนะ้มันมีก่อนสติมันไวมันมีสติอยู่มีความเป็นปกติอยู่พอนเผอหลงจากกายเผอหลงจากความรู้สึกตัวมันก็เข้าไปในความคิดแล้วก็ปรงุงความคิดเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้เท่ารู้ตันมันก็ปรงุงเพราะฉะนั้นหลายกลางหลายหน เราสังเกตว่ามันมีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําขณะคิดขณะพูดขณาดทำมันเป็นคนละตัวกันคนละขณะกันทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวจึงมั่นใจได้กายเคลื่อนไหวใจรู้นะมั่นใจได้ถึงมันจะเป็นอารมณ์สมถะแต่แน่นอนที่สุดก็คือมันไม่เข้าไปในความคิดมันเป็นกรรมฐานบทแรกเลยของนักปฏิบัติที่จะต้องเจอ จิตเหมือนเหนื่อยเหมือนถูกบังครับแต่ว่ามันไม่ทุกเนะเพราะความคิดนะแต่มันทุกเพราะทำความเพียรมันทุกเพรากําลังปฏิบัติอยู่ไม่มีใครหรอกนะที่มีความสําเร็จโดยไม่ผ่านความเพียรโดยไม่ผ่านความทุกข์กันมาความสําเร็จทํางานทําการทําอะไรสักอย่างอยากได้บุคคลหนึ่งสอาอยากได้วัตถุหนึ่งสอสาอยากได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ มันผ่านความเพียนความลาบากมาดังนั้นการล้าการเรียนจะมีความสําเร็จได้ก็ต้องผ่านความขยันความทุกข์มาก่อนปวดหัว อ, อ่านหนังสือต้องสูตรคูณจนปวดหัวต้องอากรารขยันจนปวดหัวต้องสูตรต่างๆฟิสิกส์เคมีเลขากณนี้จนปวดหัวจนมันติดเพาะความทุขตัวที่มันจะยาำจนติดก็ต้องทําให้มาก ยืนยันยจริงๆจุดนี้ความรู้สึกตัว ก, การเคลื่อนไหวหของกายในรูปแบบยืนยันถ้าทำเป็นแล้วจะไปทำอะไรก็ทำเหมือนกับทหารหน่วยคอมบันโดนนะฝึกยุทธศาสตร์การต่อสู้มันพิเศษนะมันพิเศษจนท้ายสุดเป็นหน่วยไล่ล่ า, ลาไม่ใช่หน่วยถูกล่า ที่ละที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราเราต้องไล่ล่าไม่ใชใ่มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปตามรู้ไม่ทันกินตรงนี้ไม่ทันกินเราต้องรู้สึกตัวที่ฐานกายฐานกายฐานกายฐานกายย้ําตรงนี้แล้วมันคือความไม่ทุกข์เบื้องต้นแล้วแต่ว่าเราจะไม่ติดอยู่แค่นั้นเพราะว่าอารมณ์กรรมฐานมันจะพาให้เราออกมาเหนือตรดการวางกาย สติเด่นขึ้นมาให้ตัวสติตัวผู้รู้ที่เด่นขึ้นมามันจะรู้ทันความคิดการปรุงการแต่งมันจะรู้เท่ารู้ทันเลยล่ะและทีมกันก็คือพอมันมีที่อยู่ลักษณะของสติที่มันเด่นขึ้นมาฐานสติมันเด่นในตรงนั้นนะมันเป็นตัวสติสมาธิปัญญามันรวมลงอยู่ในความรู้สึกตัว เมอรามีโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเราไม่พูดว่ามีวิทยุอยู่ในโทรศัพท์เราไม่พูดว่ามีอินเทอร์เน็ตอยู่ในโทรศัพท์เราไม่พูดว่ามีกล้องถ่ายรูปอยู่ในโทรศัพท์เราไม่พูดว่ามีอะไรอีกหลายหลายอย่างอยู่ในโทรศัพท์แต่เราพูดว่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็ความรู้สึกตัวนั่นแหละเราพูดในกำลังฝึกสติอยู่นะไม่ฝึก่ไม่พูดว่าฝึกสมาธิอยู่นะ เราไม่พูดว่ากำลังเจริญปัญญาอยู่นะกาลังเจริญคุณธรรมอยู่นะเราไม่พูดเราพูดถึงว่าความรู้สึกตัวท้ายสุดมันก็เป็นทุกอย่างมันก็จะเห็นนะม จ, จุมารกิเลสมานอภิสังขารมามันคืออะไรนะมัจจุมบานคือมานคือกลัวกีกาตาขาวตัวเนี้ยไม่อาจหาร ต่อมาก็คือเทวะอุตมานก็คือติดสบายติดสบายแต่การที่เรามาใช้ชีวิตนักบวชคือถูกมัดมือชกนะถูกมัดมือชกก็คือไม่คนขวายตามมีตามได้อะไรที่จะได้มาโดยศีลนําสุขมาให้ศีลนํนำปกศัพด์มาให้ศีลนําความเย็นมาให้เราก็เออเราก็ไปแบบตัวอย่างนั้นกายใจของเราวาจาของเรา ก็คือให้มีศีลให้มีความเป็นปกติระยะท้ายสุดทำมากกคุ้มครองตกน้ำไปไหลายตกไฟไปไม่ขาดสิ่งไหนหเทวดาล้นก้นเราก็ดูออกกิเล ส, สมาลก็คือล้วก็จะมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาก็คือตัวกิเลสมีตัญหามีประทานต่างๆก็คือตัวกิเลส เราก็รู้เท่ารู้ทันเพราะว่ามันอยู่กับชีวิตของเรามานานจบด็อกเตอร์กิเลสก็จบด็อกเตอร์จบปริญญาโทกิเลสก็จบปริญญาโทรปริญญาตรีกิเลสก็จบปริญญาตรีมันก็ทันเราก็จึงไม่เอาวุตที่ภาวะทั้งหมดกรรมมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมจึงไม่มีการถาม ตั้งก๊กตั้งสมาคมชมรมสิทธิ์เก่าไม่มีมันเหมือนกันทิ้งไว้นอกรั้วสุขตโตเรลือแต่ศีลและทิฏฐิเสมอกันการปฏิบัติธรรมเสมอกันกินข้าวมอเดียวกันใช้สถานที่ร่ว ม, วมกันน้ำไฟแล้วก็เดินทางภายในของเราต่างคนต่างเดิน เทพวัตามามนความสะดวกความสบายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อยู่แบบให้เขางี้เลี้ยงง่ายขนไกว้น้อยสุดแล้วมีกายมีใจก็จะอยู่ได้แล้วนะฝึกมันต้องมีกายก็อยู่กับกายมีใจก็อยู่กับใจนั่นแหละใจมันก็ประโยชน์มากที่สุดนะเป็นคุณค่าของชีวิตของเราที่เหลืออยู่เรียก ว, ว่าเจ้าความดี มาเป็นโรงศพเอาโลกสยบมาเป็นน้ำตาความดีทั้งหลายทั้งปวงประกอบเอาไว้ละชั่วทำดีแล้วก็ไม่ติดดีก็เรียว่าชำระชำระจิตของเราให้ขาวเรอปุญญาที่สังขานนะปญญาที่สังขารอันนี้หมายถึงบุญและบาปในจิตในใจของเราที่มันเกิดขึ้นมามโนกรรม มนโนกรรมดีมนโนกรรมชั่วเป็นบุญเป็นบาปก็เกิดจากการคิดทั้งหมดเราก็รู้เท่ารู้ทันเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวก็จึงคือความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติที่ปฏิบัติถูกด้วยนะเป็นตัวรู้สึกตัวตัวจริงไม่ใช่ปลอมตัวนี้เพราะว่ามันจะตื่นตัวไม่งอกง่วง พอความง่วงมามันก็รู้เท่ารู้ทันไม่งอกง่ว ง, งตื่นตัวง่วงตัวงอกเนี่ยเป็นสัยะสยญากมันก็จะมือมนมัวตัวไม่มีความชัดเจนให้สังเกตดูเราก็ทะลุผ่านกำแพงความง่วง ไ, ได้แบกออกแบกไหวเข้าฝั่งฝั่งก็คือฝั่งตื่นรู้เป็นพุทธศาสตร์ ทุกครั้งที่มันรู้สึกถูกที่ฐานกายกายก็ตื่นรู้สึกที่ฐานจิตจิตก็ตื่นโดวยว่าตัวชัยภูมิตัวสติที่มันเกิดขึ้นมาตรงนั้นก็ยิ่งเป็นแสงสว่างแจ้งแจ้งแห่งปัญญาเมื่อเราพบแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋ อ, อจุดนี้เป็นจุดที่เป็นบ้านเป็นที่อยู่ของจิตจริงๆก็คือจิตเดิมแท้นะก็คือจิตเป็นปกติ มันเป็นสติก่อนคิดสติก่อนพูดสติก่อนก่อนทําสติก่อนคิดก็คือสติดูจิตสติดูจิตอยู่นั่นแหละมันก็จะเห็นตัวสติแล้วก็เห็นตัวคิดถ้ามันจะไม่มีความคิดมันจะว่างๆลอยๆแต่ถ้ามีความคิดปับ๊บมันก็จะมีปฏิกิริยาการทันทีสติดูจิตมันไม่ใช่จิตดูจิต สติดูกายว่าจะต้องเห็นกายตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องสติดูจิตก็เหมือนกันก็จะเป็นสติที่เห็นจิตตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องถูกต้องมันก็จะไม่ห้ามโดยเฉพาะความคิดนี่ห้ามไม่ได้แล้วแต่มั น, นแต่ว่าก่อนคิดเราก็รู้ทันขณะคิดมันก็รู้ทันแล้วก็หลังจากที่มันใช้งานไปแล้วมันใช้ความคิดไปแล้วมันก็รู้อีก เป็นสติก่อนคิดก่อนทำสติหลังคิดหลังพูดหลังทำมันมีอยู่ขณะคิดขณนะพูดขณะทเป็นปัจจุบันมันก็มีจริงๆใช้ประโยชน์ไดนะ้มันก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาคเพียรกันนะตลอดวันตลอดวันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราไม่รู้ไม่เห็นนะยังทำไม่เป็นนะมันยังความอยู่ปิดอยู่นะแล้วก็ ไม่เป็นไรวันไหนวันหนึ่งหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้เป็นแผนที่เป็นฉลากยาพอถึงเวลาเราก็ได้ดื่มลงไปอ๋อมันใช่จริงๆยาจริงๆหายป่วยจริงๆอ๋อปฏิบัติธรรมมันเป็นปัญญาจริงๆมันทําให้หมดจากปัญหาทั้งปวงจริง ๆ, ๆมันก็จะเกิดความมั่นอกมั่นใจศรัทธา แถมมีปัญญาเดินได้ถูกทิศถูกทางมันก็เป็นมรรคผลสู่นิพานจิตใจของเราสงบเย็นขึ้นมาหายสงสัยสงสัยในเรื่องของเวรของกรรมของบาปของบุญของสติสีสมาธิปัญญามรรคผลผนิพานมันก็คลายจางลงไปตามเวลาที่เราได้รำเรียนหรือว่าฝึกั ในใจชีวิตกับการบวชงดเ็นจากการทำความชั่วไปสู่ความดีมันก็จะเกิดความสงสัยมั่นอกมั่นใจเราก็ตอบในตัวของเราเองเป็นปัจตังองนั้นอขอพูดใไ้ฟังตรัเช้านี้กลับมาพร้อมกัน